อ่ะนะเหมือนพวกพนักงานต้นห้องก็จะสมบูรณ์ด้วยกำลังกายกำลังใจเพราะฉะนั้นถ้ามีศึกมีสงครามพวกนี้ก็รบถวายชีวิตให้เหมือนันนะบ้านเมืองมันก็จะคงอยู่ต่อไปได้อ่าโบราณวิชิธ ร, รมังเนี่ยนะเรียกว่าโบราณประเพณีมาดูระบบสอบสวนของสมัยก่อนนะเรืองเหมือนบ้านเราเป็นแบบนี้ปะพวกเจ้าวัดชีแต่ก่อนเนี่ยนะไม่ตรัสว่าเมื่อตนถูกเขานํามาแสดงว่าผู้นี้เป็นโจร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 คณะลูกคุนเหล่านั้นเน่ยเมื่อไปวินิจฉัยเองเออไม่ใช่โจรเนี่ยปล่อยไปเสร็จ แ, แล้วก็ถ้าเป็นโจรจริงก็มอบให้กับมหาอ ม, มาตยแปดตระกูลอ ม, มาตย์แปดกลุ่มที่มาจากกลุ่มต่างๆนะแปดตระกูลใหญ่ไปวินิจฉัยอ ม, มาตย์แดตระกูลนั้นถ้าไปเห็นว่าเออนี่ไม่ใช่โจรปล่อยไปเลยถ้าเป็นโจรเออมอบให้เสนาบดีไปก่อนเราจะไม่รีบตัดสินใจเอง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 ทุกคนก็จะขยันขันแข็งบ้านเมืองก็เจริญอย่างเดียวไม่มีเสือ่อมนะถ้าระบบนี้อย่างดีอันนี้เป็นข้อที่ก็ะข้อที่สามก็เนี่ก็อ่านให้ฟังนะเผื่อที่ใครที่มีอํนนานาจลักษณะนี้เผื่อไปใช้ได้บ้างก็เราก็ย่อ บ, บ้านเมืองเอ่ยอยกบ้านรอบบ้านเราครอบครัวเราให้มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่แม้พอได้ข่าวมายุมาหน่อยนึงก็ด่าแหลกเลยนันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉนั้นก็ต้องมีการสอบสวนมีการไต่สวนออกมาก่อนเนี่ยนะ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 เพราะนั้นการไตส่สวนการสอบสวนนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ป้องกัน ร, ระบบกลุ่มสปลอทั้งหลายเนี่ยนะสปลอพนาวานทั้งหลายเนี่ยนะจริงไม่จริงก็ไม่รู้ประจบอยู่นั่นแหละประแจงอยู่นั่นแหละไม่รู้ประจบประแจงให้มันเป็นอะไรก็ไม่แต่ก็อย่างว่านะก็เห็นแกนเหยื่อเล็กๆน้อยๆไปอะไรไปเนี่ยนะมันจะต้องมีโอกาสได้สอบสวนให้ให้โอกาสแก่คนที่เขาทําผิดให้เขาได้ชี้แจงว่าเขาผิดจริงไหมถ้าเขาผิดจริง อในที่สุดก็ว่าไปตามตามตามหลักไปเนี่ยนะถ้ามันผิดก็ว่ากันไปตามหลักแต่เราก็ต้องคิดว่าคนที่ถูกถูกเป็นจมเลยไม่ใช่คนที่ผิด ท, ทันทีมันก็ต้องให้โอกาสสอบสวนกันก่อนอันนี้เขาสอบสวนกันนั่งเจดชั้นเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าจะสั่งฆ่าใครก็สั่งง่ายๆหรือลงโทษปรับสินไหมเป็นต้องก็จะปรับกันง่ายๆเพราะฉะนั้นคนที่ดีๆทั้งหลายเขาก็หมดกําลังใจให้เพราะว่าคนที่ทําอะไรถูกต้องเนี่ยนะ อาจจะว่าพวกประจบสอพออาจจะไม่ชอบก็ได้เนนะเพราะฉะนั้นที่มาของการส่อเสียดแล้วก็เสียดสีเพราะฉะถ้าผู้ที่เป็นผู้ปกครองหูเบาทั้งหลายก็พินาศล่มจมอย่างเดียวเนี่ยนะข้อต่อไปเนี่ยนะข้อที่สี่ซึ่งก็เป็นข้อที่สำคัญที่จะทำให้บ้านเมืองอยู่รอดหรือไม่รอด องตรัดว่าดูก่อนอนน์เธอได้ยินมาว่าอย่างไรเจ้าวัดชีทั้งหลายยังสักการะเคารพนับถือบูชาเจ้าวัดชีผู้ใหญ่ผู้เท่าของเจ้าวัดชีทั้งหลายและยังเชื่อถือถ้ อ, อยคําที่ควรฟังของเจ้าวัดชีผู้ใหญ่ผู้เจริญทั้งหลายเหล่านั้นอยู่หรือหมายความว่ายัางเคารพผู้หลักผู้ใหญ่กันอยู่ไหมเนี่ยนะหรือว่ามองผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแค่แบบกว่าเป็นตออะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบ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 ก็จะบอกอุบายว่าเออเวลาเนี้ยควรเข้าไปอย่างนี้เวลานี้ควรออกไปอย่างนี้เนี่ยนะมันถ้าหากว่าเจ้าเหล่านั้นปฏิบัติโดยการรับปฏิบัติตามโอว่าสามารถดํารงราชประเพณีเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นถ้าทําตามนี้ยังเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ล่วงการผ่านไวัแนะนําให้คําแนะนําปรึกษายังเคารพต่อท่านเหล่านั้นอยู่ก็เจริญเนี่ยนะแต่ถ้าเลิกเมื่อไหร่ก็เสื่อมแน่นอนในข้อต่อไปเนี่ยนะส่วนรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องสําคัญสําคัญมากเลยแหละว่าดูก่อนอานน์เธอได้ยินอย่างไรเจ้าวัดชีทั้งหลายไม่ฉุดคลาคมเหงข่มคืนกักขังกุลสตรีทั้งหลายกุมารีของสกุลทั้งหลายอยู่หรื อ, อนะหมายความว่าพวกเด็กเดก็ลูกกรัตรย์ทั้งหลายเนี่ยบางทีก็อํานาจบาดใหญ่ใช่ไหมเอาเอาลูกสาวเขาเอาเมีอชาวบ้านเข้ามาคมคืนมากักขังคมเหงเป็นต้นเนี่ยยังทําอย่างนั้นไหม าพานนก็บอกว่าเจ้าวัดชีทั้งหลายไม่ฉุดค่าไม่ข่มเหงไม่กักขังกุลสตรีทั้งหลายและกุมารีทั้งหลายของสกุลทั้งหลายพระเจ้าค่าดูก่อ น, นอนนท์เจ้าวัดชีทั้งหลายไม่ฉุดค่าข่มเหงกักขังกุลสตรีทั้งหลายกุละกุมารีทั้งหลายตลอดการเพียงไรดูก่อนอนนท์เจ้าวัดชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญได้อย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้คือเรื่องนี้สําคัญมากะนะ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 และมารดาในเรือนของเราจับธิดาในเรือนของเราทั้งๆที่ลูกหลานของเราเนี่ยเราเลี้ยงมาใช้ปากดูดน้ําลายใช้ปากดูดน้ํามูกของเขาเลี้ยงเด็กเหล่านี้ให้เจริญเติบโตมาแต่เจ้าเหล่านี้ใช้อํานาจทละการในเรือนของตนเนี่ยนะเขาเรียกว่ามากกเาเรียกว่ามาประทุสร้ายทางจิตใจกันเกินไปว่างนนั้นนะพวกเหล่านี้นี่แหละจะทําอะไรจะกลายไปเป็นพวกโจรจะไปเป็นพักพวกให้โจร เป็นพวกที่เป็นกลุ่มสอดแนมให้โจรเพราะอะไรเพราะพยาบาทผูกเวนนะเพราะมาทําลายอะไรทำลายกล่องรวงใจตัวเองไงไหมทำลายลูกทําลายหลานทําลายบุตรภรยาของตัวเองเนี่ยแม่มันโกรธมันแค้นบอกไม่ถูกก็เลยกลายเป็นว่าเป็นอะไรอย่างที่ว่าน่ยนะศึกศึกที่รบชนะกันอี ก, อกส่วนหนึ่งไม่ใช่น้อยเลยก็เพราะว่าคนในนี่แหละเป็นสายให้เรียกว่าเกลือเป็นนอนเนี่ยนะเกลือเป็นนอนวันบ้านเมืองที่แพ้เนี่ยนะ ไม่ใช่แพ้เพราะอะไรแพ้เพราะคนในนี่แหละที่ออกอุบายให้วางแผนให้อะไรให้เวลาไหนกวนเข้าเวลาไหนกวนตีชี้จุดอ่อนให้อีกฝ่ายตรงข้ามรู้ไปหมดเลยท่นฝ่ายตรงข้ามจะไปรู้ดีได้ยังไงเท่ากับคนในถ้าคนในไม่เปิดโอกาสให้เนี่ยนะ